ทรงอนุญาตคนงานวัดลำหนับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้มีคนวัดแม้ครั้งที่สองพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรัฐสเสด็จเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัชชะถึงที่พัก ครั้นถึงแล้วได้ทรงอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระปิรินทวัชะดังนี้ว่าพระขุนเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตคนวัดแล้วหรือท่านพระปิรินทวัชะทูลว่าขอถวายพระพรทรงอนุญาตแล้วพระเจ้าพิมพิสารตรัสว่าถ้าเช่นนั้น โยมจะถวายคนวัดแก่พระกุณเจ้าครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐทรงรับที่จะถวายคนวัดแก่ท่านพระปีรินทวัชชะแล้วแต่ทรงลืมเมื่อเวลาผ่านไปนานทรงระลึกได้จึงกระศถามมหาอามาตผู้สนองราชกิจคนหนึ่งว่าเราถวายคนวัดที่ให้สัญญาไว้แก่พระกุณเจ้าแล้วหรือ มหาอัมมาต์กราบทูลว่าขอเดชะยังไม่ได้ถวายคนวัดแก่พระคุณเจ้าเลยพระเจ้าพิมพ์พิสารตรัสว่าผ่านมากี่วันแล้วมหาอัมมาต์นับราตรีแล้วกราบทูลว่าขอเดชะผ่านมาห้าร้อยราตรีเท้าเธอรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นจงถวายคนวัด ห้าคนแก่พระกุณเจ้ามหาอ ม, มาตย์กราบทูลรับสนองพระราชองค์การแล้วจัดคนวัดไปถวายท่านพระปิลินทวัชชะจำนวนห้าคนตั้งหมู่บ้านขึ้นมาต่างหากมีชื่อเรียกว่าอารามิกกขามบ้างปิลินทวัชชะขามบ้าง271สมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะ เป็นพระประจำตระกูลในหมู่บ้านนั้นเช้าวันหนึ่งท่านพระปิลินทวชชะครองอันตรวาศกถือบาดและจีวรเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านปิลินทวชชะคามครั้งนั้นในหมู่บ้านนั้นกำลังมีมหโหรสพพวกเด็กๆแต่งกายประดับดอกไม้เล่นอยู่พอดีท่านพระปิลินทวชชะเที่ยวบินทบาตมาตามลาดับ ในหมู่บ้านปิลินทวชคามมาถึงเรือนของคนวัดคนหนึ่งแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายขณะนั้นทิดาของสตรีคนวัดเห็นพวกเด็กคนหนึ่งแต่งกายประดับดอกไม้จึงร้องให้ขอว่าพ่อแม่โปรดให้ดอกไม้โปรดให้เครื่องประดับแกหนู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 จะได้ดอกไม้และเครื่องประดับจากไหนกันท่านพระปิรินทวัชชะจึงหยิบเสวียน ญ, ญ่าอันหนึ่งส่งให้พลางกล่าวว่าท่านจงสวมเสเวียน ญ, ญ่าอันนี้ที่ศีรษะเด็กหญิงนั้นหญิงคนวัดหยิบเสวียน ญ, ญ้าสวมที่ศีรษะเด็กหญิงเสวียน ญ, ญ่ากลายเป็นพวงดอกไม้ทองคำงดงามหน้าดูหน้าชม พวงดอกไม้ทองคําอย่างนี้แม้ในพระราชฐานก็ยังไม่มีพวกชาวบ้านกราบทูลพระเจ้าพิมพ์พิสานว่าขอเดชะที่เรือนคนวัดโน้นมีพวงดอกไม้ทองคํางดงามน่าดูหน้าชมพวงดอกไม้ทองคําอย่างนี้แม้ในพระราชฐานก็ยังไม่มีเขาเป็นคนเข็นใจจะได้มาจากไหนชะรอย จะได้มาเพราะทำโจรกรรมเป็นแน่แท้พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้จองจำตระกูลคนวัดนั้นต่อมาเช้าวันที่สองท่านพระปิลินทวชชะครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรไปบินทบาต ท, ที่ปิลินทวชชะคามอีกเมื่อเที่ยวบินธบ่าไปตามลำดับในหมู่บ้านปิลินทวชชะคาม เดินผ่านไปทางที่อยู่คนวัดคนนั้นถามคนคุ้นเคยว่าครอบครัวคนวัดนี้ไปไหนชาวบ้านตอบว่าครอบครัวนี้ถูกจองจำเพราะเรื่องพวงดอกไม้ทองคำเจ้าข้าต่อจากนั้นท่านพระปิลินทวัชชะเข้าไปถึงพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกตรัตร์ ครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายลําดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตราชเสด็จเข้าไปหาพระเถระจนถึงอาสนะทรงอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระปิรินทวชชะทูลถามพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตราชว่าขอถวายพระพร ครอบครัวคนวัดถูกจองจําเพราะเรื่องอะไรพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพมครัฐตรัสว่าที่เรือนเขามีพวงดอกไม้ทองคํางดงามน่าดูน่าชมพวงดอกไม้ทองคําอย่างนี้แม้ในวังก็ยังไม่มีเขาเป็นคนเข็นใจจะได้มาจากไหนชรอยจะได้มาเพราะทําโจรกรรมเป็นแน่แท้ ที่นั้นท่านพระปิลินทวชัคได้อธิษฐานให้ปร า, าสาทของพระเจ้าพิมพิสารเป็นทองคําปร า, าสาทกลายเป็นทองคําไปทั้งหลังแล้วท่านก็ถวายพระพรว่าทองคํามากมายมหาบ่อพิษได้มาจากไหนพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรชตรัสว่าโยมทราบแล้วนี่เป็นฤทธานุภาพของพระกุณเจ้า แล้วรับสั่งให้ปล่อยครอบครัวนั้นพวกชาวบ้านทราบข่าวว่าพระคุณเจ้าปิลินทวัชชะแสดงอิทธิปาติหารอันเป็นอุตริมนุสธรรมในถ้ำกลางราชบริษัทพากันพอใจเลื่อมใสนำเพสัชห้าคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยมาถวาย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 เทศสัตว์เหล่านั้นซึมไหลเยิม้มจึงมีสัตว์จำพวกหนูชุกชุมทั่ววิหารพวกชาวบ้านเที่ยวไปตามวิหารพบเข้าจึงพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเหล่านี้มีเรือนคลังเก็บของเหมือนพระเจ้าพินพิสารจอมทัพมคตรัฐภิกษุทั้งหลาย ได้ยินชาวบ้านตําหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยละพากันตำหนิประนามโพลทนาว่าชไหนภิกษุทั้งหลายจึงคิดเพื่อความมากักมากเช่นนี้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ ไปกราบทุนพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ